แสดงทำขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิด ยุ่งเหยิงวุ่นวายกอกความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทา ง, งใจจะได้นําธรรมะคาตั้งสอนคำกล่าวพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็ยนแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ อ, อย่างลุลละอกนี้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 มานิมมาดนโนวัตุปัเชโดตันหักไโยวิราโกนิพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงครรมประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมา เหล่านี้ทำนั้นจึงประเสริฐเลื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดการไหนไหนถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติปร ะ, ประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของ ที่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟัน่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่าน ซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตสาหสละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟัง แต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเราเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจํานวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความอย่างภาษาเรา จะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวด อ, อนิสัตต์ลัคนาสูตรวันนี้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสาคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้าน จ, จิตใจ วิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกาใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้งห้าซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่อง ในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดูข้างพันเตดูข้างพันเต่า เ, ตาเป็นทุกข์พระเจ้าข่าเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งลนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าข่าแต่ท่านผู้ที่ฟังทำท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้น ท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกําลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้น <c oughs> บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่าน <c oughs> ก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้ บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านบอกสมมติปัญญายดัตถะบังสมมัิปัญญายดัตถะบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็น มีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาใยอย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หล่มลึกที่คำว่าหล่มลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของ สิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจและวันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม่ที่สุดทรงมาหาผู้ผเทศ ให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันจากตัวของเหล่านี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตอนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบน่นพิรัยล้ำพันร้องหหมร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองทำองพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบครอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทมทุกกระทมสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดไม่มใีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูศรัทธาเทวมนุษย์สาสน ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกระหารความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังแท่นังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถาวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้า ทำ ม, มังสังคังสนังคัตฉามิทำดวงเลิอดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกระทามจะนําสัตว์ผู้ลุ่มหลงงม ง, ง, ง, ง, งายตกอยู่ในที่หลุ่มลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอํานาจแห่งธรรมเหล่านี้สังคังสนังคัตฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันเหล่านี้ ให้พ้นเป็นอิสระภาณ ใ, ใจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสถานะของพวกเราทั้งสามรัตนนี้แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานาน มีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภนายใ จ, จิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจํานวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำทําไปตามบ้านตามเมืองทําไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทาไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระไทยการป ร, ประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลาย เป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังจากว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาสให้ให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาส ท, ที่ฉลมลงไปหรือชาล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองหมัวเม่า ให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระไทยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาบพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้จัดตรัสสรุป ท, ทำแล้วจึงประทานพระาว่าทให้เต็มพระไทยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรนนิพานก็มีสุภทาภริพาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระออนรนห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลําบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวน เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกราบสั่งให้เข้ามาแล้วประธานพระอาว่าดย่อให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาลาสุดท้ายเพระาะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภธาปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออก ไม่ให้หยืดเยอะเกินไปว่าเวลาของของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้ผู้ภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิ ม, มสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพานในราตรีวันนี้สุปภทาปรินพาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบําเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้ บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพริยบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปาฐิมะสุดท้ายในการแห่งปริญภาณานของพระพุทธเจ้านะผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยความสนใจไม่ใช่ศัก์แต่ว่าธรรม พอศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกจริงทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทําอย่างย่อยๆหย่อนๆไม่ไทําแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าทำอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระไทยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกต้าเหล่าคอของพระพุทธเจ้าขอให้คหํานึงถึงตัวของเราเสมอ เพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอยากให้เป็นหลักปากขี้ควายเลียวๆหลายๆเหมือนอย่างว่าวมันเชื่อกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง เพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาเะอีกและวิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคํานึงให้มาก ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใคร ม, มีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลําดับนับท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้เพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลําดับตามกําลังของตนของตนเสมอไปตัง้งนับตั้งแต่นูน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกรทธรรม เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยหลับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทําสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทําประชาชนหรือบุคคลพุทธ บ, บริษัทที่จะประพฤติัวให้มีความราบเรื่น ด, ดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวาสและความเป็นอยู่ทางทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะ ดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติ ost, ถ้ามาใช้พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังวตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้ววันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไร ถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวะทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นประได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อ ตั้งแต่ครั้งผู้การท่านบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอ ร, าหรหัตระหันแล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวนศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลําดับลำดับเลื่อยมา ท่านจึงเรียกว่าสวักหาโตพระคัมภธรรมโอพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัส ด, ดีแล้วคําว่าตรัส ด, ดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจา้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนํามาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่อง ที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพาการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยําไม่ผิดไม่เพื่อนคาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทยของพระองค์แล้วจึงได้ น, นํามาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้รียกว่าสวัสดิธรรมกลับไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิรธรรมนำศาสตว์โลกที่ใช้พ้นจากทุกได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรม สาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายกีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นนสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่ ง, วนนงควรจะลึกถึงความตาย ในตัวบ้างอย่างน้อยห้าหนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟอ้อเหินความโลภก็จะไม่มากนะักความโกรธก็จะไม่มากนะักความหลงก็จะไม่มากนะักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทําตัวให้เพลินเพลินจนลืมเนือน้อลืมเนื้อลืมตัวลืมวัย ลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเท่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตงแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิงดีไม่ตีอยากจะใ ส, ส่ส้นสูงขึ้นลำงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูดูปา่าช้าคนเราถ้ามองดูความตาเขาถ้ากับมองปา่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงส ถ, ถานที่จะรอก็ต้องรอถึองสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่กัจะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้ นี่หละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัว เ, เองด้วยหลักธรรมให้ทําอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอูหใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดะไปหมดก็ไม่ถึงห้านาทีแหลกไปเล ย, เยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มาก เราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมากจึงต้องทําอันตรายแก่ตนเสมอนี่ตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่าตั้งแต่ฝักแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคําว่าเสียนน้ํานั่นคืออะไรก็คือความผิด เมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเกินเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลผวิภานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหม<อ>แล้วใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอํานาจวาสนากรรมอมรรคผลวิภานไว้ในเงื้อมมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดไ ด, ได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดการห่วงห้าม ทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้น<ะ>เพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่สี่ประการแยกออกเป็นด้านละสองคุ ก, กับสมูทยัยสมูทัยคือกิเลียกตันหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้ แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสาระเหล่านั้นพอกปูนหัวใจขึ้นโดยลําดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดําเนินไปตามทางมากทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดําเนินมรรคกับนิโรดนิโรดคือความดับทุกข์ถ้ามี ถ้ามีมรรคแล้วนีโรคก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเหลืออัลมาทั้งหลายซึ่งเป็นค่าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมรวมเขาแล้วยนเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุด ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชชิมาคําว่ามัชชิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคําว่ามัชชิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ําเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชชิมาอันใดที่ขัดกับมัชชิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นฆ่าศึกต่อมัชชิมาเช่นทุกสมูทายนี่ เป็นฆ่าศึกต่อมัจจิมาเมื่อผู้ดําเนินมัจจิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นพภาณจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมาย่อมค่อยหมดไปหมดไ ป, หดไปหเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทําหน้าที่ดับไปเพราะอํานาจแห่งมัจจเป็นผู้พาเดินหรือเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลําดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอํานาจแห่งมัจมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยป ร, ประหารประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมักได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเรศไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิ้ผ่านเราไม่ต้องไปถามหามากักหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมักเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผล เราแนนแนเป็นผู้พ้นจากทุกเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ทำด้วยมรคนี่แหละได้เป็นาศาสดาของโลกก็พระมัชชิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกก็พระมัชชิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชชิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ความแก้หนามทั้งหลายอันเป็นค่าสืบตอบกิจจาทั้งหลายที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยเวลานี้ความโลภความโกรธความหลง มีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธการกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโรกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนํามาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิจใจของเรา อย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี่เลยทานจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแฉสายไปที่ไหนบ้าง ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคํานึงคํานวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายาก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั้นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้อเพราะฉะนั้นธรรมมากุลเจ้าท่านสอนจึงสอนมาห้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปัญยิโกให้น้อมเข้ามาดู เห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็ยนแก่ประ ช, ราชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังนาตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ย ทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าชา้าตีกลาอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าชา้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึงสี่บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีนท่านว่าตโมตะมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมา ก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างงั้นอ่ะเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คํานึงถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราเลยสลับจับฟังได้อ่านนังแสหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบําเพ็ญตน โดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่นี่อันห น, นึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงบเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมคัน เ, เวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่ หมดเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ําเหลวประพืชตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียชั่วตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลาดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคําว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกําลังความภาคเพียรการบําเพ็ญของเราคําว่าสว่างไปนี้สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่น ชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัญยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้คัดนั้นก็าตามเราก็เป็นกัญยาณชนเป็นผู้มคีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มพานาจิตใจเพราะฉะนั้นเองกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่าผู้สน เราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกล่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็กร้อนนี่อยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเมื่อการเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปเที่ยวอุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศล คำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บําเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบําเพ็ญบุญและการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญยังไงละ บ, บาปละอย่างไรไม่สามารถทําได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราดศสาศสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจ ะ, ะพฤติตามใคร พระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสามารถสั่งสอนโลกได้ทั้งสามโลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้ี่ยจะ ก, กําจัดป่าเต่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประครองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกครานเราจะว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ นางพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้สนกิเลสแล้วพูดคดําใดออกมาตรัสคําใดออกมาจริงทุกคําจึงเรียกว่าสวัสดธรรมไม่มีคําโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่แม้หนึ่งเปอร์เซนต์เลยคนพนาสามันเหล่านี้พูดยี่สิบห้าคำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อยห้าคำพูดร้อยคานี้ปลอมไปแล้วยี่สิบคำเป็นอย่างน้อย ปลอมเพราะ อ, อะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไมไ่รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูงูปลาปลาจะว่างูแท้จริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาแท้จริงก็ไม่แน่เอางูงูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมามันไม่ได้ของจริงนี่เมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งทรรมนั่นยอดอยังไง ว่า ม, มานีมารโนทำยังความเมาให้ให้สัง่งเราเมาอะไรน αι, แล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สาง่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สา่งแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสา่งแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพลนทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสั่งไม่ได้ ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอาวสานแหา่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นงไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มานิ ม, มาโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จากถึงขั้นแห่งความเอื้อสุดวัตตุ ป, ปัเชโดตัดเสียซึ่งวัตตาความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกตรอยทุกนี้แล้ว แบกทุกนั้นปล่อยทุกนั้นแบกทุกในภพนี้ปล่อยทุกในภพนี้แบกทุกในภพนั่นเป็นมาอยู่อย่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัตตจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นปเพราะความรุ่มหลงวัตตุปัเชโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิดไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตตุปปเชโดตันหักโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยาก อันมันเป็นเครื่องก่อควาให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตันหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตันหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิมอ่มเอมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตันหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตันหักขโยพระพุทธเจา้าตร์ตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระษาวกท่านตัดได้หมด ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระไทยภายในใจของพระพุทธเจ้าลสาวกเลยท่านจึงเรียกว่า<ม>วิราโคนิโรโทรดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเรียกว่านิโรโทรนิพานังนั่น ถึงละที่นี่ถึงนิพพานแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ฟั่นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายง่ายถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายง่ายพวกเราทั้งหลายฟังบรรณาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังสั์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านวา ขออะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็นหนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก้นหนีบมันขาดไปเลยน่ะความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็นหนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานทันว่างั้นนั่นฟังแสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมิตรกอตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลาบากแก่ตัวของเรานั้นแหละนี่ได้ยก ที่ว่ายอดธรรมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขอนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในพบใดชาติใดก็าตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความลื่นเรืองบันเทิงความอยากเฉยเฉยโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้น ไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี้เลยเราจรึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้า แล้วทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่บาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะปลบล้างมาได้คำว่าบาปเนี่ยผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกมันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มี มีอยู่ในโลกประจําตลอดมาแล้วเราจะเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักสุญญาอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรก ทั้งสวรรค์นำจึงนำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระไทยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเราจะหน้าผากแตกไปนันสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตรเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็น ผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแล้วคือผู้ที่จะลงานรากเนี่ยเนี่ยสําคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความดุนดาวของเรามันก็จะพาดุนดาวไปอีกให้เกิดความทุกข์ควาบากก็คือเราผู้ดุนดาวนี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนงูก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้ นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือ พ, ร ะ, พ, ร, ะพ ร, ะระบรมศา ส, สดาผู้มีความเฉียดเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกรวิถูรู้แจ้งโลกเหล่านี้เห็นตะกลางวันกลางคืนมามืดตื้อไงตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นเห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกรวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้งสามคือกามาโลกรูป รูปรโลกอรูปรโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวดขาตาธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่จุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนา พอจะเริ่มนั่งภาวานามันจะหาวบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวานานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทํางานหนักนะนั่งมาเน็ดเหนื่อยแล้วทํางานพรุ่งนี้ไม่ไหวนะนั่งง้อสะบักง้ ง, ง้อง่วงอยู่แย่นะงั้นอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าเพราะอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดปราชญ์ก็กลัวเสียเวล า, วาววว เ, ลเวลาจะทำบุญไหนทันอะไรกลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปืองบนเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิน้นกลัวเปืองแน่พี่นาซิ นี่ถ้าว่าจะไปทางดีมันลหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบเลยหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันเวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนเหมือนกันนี่หลักสําคัญท่านจึงสอนให้ให้เรียนตัวของเราดูตัวของเรา วันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จงกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานําไปปฏิบตัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและนําไปยึดปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้ตรัตสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตหลานได้ตรัตสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ําไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ําจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมด นี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไงจะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตตภาวนาให้ดีอานาจวัสนาของเราที่สร้างมามากมากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นนักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวานานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนในภาวานาภาวานาอะไรพุทธโธบ้างธรมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกาหนดอนาปานะที่คลมหายใจเข้าออกบ้าง เราพยายามทําวันหนึ่งมันมีว่างยี่บสี่ชั่วโมงทําไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทําได้เราทํางานอื่นเราทำไมมีเวลาเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆเหรอไม่มีไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทําไมมันมันมีเวลาถ้ามันมันไม่มีเวลามันตายได้ทําไมเนี่ยก็่าเวลายังมีชีวิตอยู่ทําไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราใน เราย้อนเขามาอย่าง น, นี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทําได้นี่นึกพุโทโธพุธโทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคําว่าพุโทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปาณติคำลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกมีสติประครับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะจำเพาะนั้น จิตจงเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคาบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแก ง, งนี่ผักอยู่ที่น้นพริกอยู่ที่นน น้ำปลาอยู่ที่โ น, น่นเนื้ออยู่ที่นนปลายที่โ น, น่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโ น, น้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโ น, น้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโ น, น้นมันก็วุ่นตัวเองกวงนตัวเอ ง, งหาความสุขมาได้ทั้งๆ ท, ที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่ กิริยาที่แสดงออกของกิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่ามานี้เรียกว่าภาวนาเนกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอาจารย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทําอยู่ด้วย ความไม่เพ้อสติในคําว่าพุโทโธธรำมโมหรือสังโฆหรืออนาปาสตินั่นแหละคือการทํางานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลําดับ <c oughs> เมื่อใจของเราได้รวมกระแสะเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่ากิจสงบในขณะที่กิจสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่ สลั ก, ก จ, จิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทําไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทําความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายผลจิตก็มีความละเอียดลอลงไปล ะ, ละเอียดลอลงมากเท่าไรยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความวิเศรจั์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนขวามประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ ดังที่เราคาดหมายกันของประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อ ต, ตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผารนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าชกคือมรรคผลที่ผานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กลาวเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ <ừ. S 2> ท่านรู้ถึงนี้มหาสติไหมครัจะปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะลบหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแย้มพมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทากดจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติ อันเป็นทำแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอํานาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าทำทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกทำก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมั น, นิพพานก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อานาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือ ตัวงเรามัเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทําให้เป็นทําไมจะไม่เป็นพรุทธเจ้าทำทำไมเป็นได้ท่านสอนทําไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทําแล้วของพระุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกฮะนี่ว่าไงนี่ผลอย่างการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบัน ขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิบัณฑูอุชุญานญยาสามีกี่เถิดทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวัฒนะมากีดกันก้นมรรคผลิพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเหลือตฐาน ะ, ะซึ่งเป็นตัวสําคัญขีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไป แล้วคำว่ามรณิ ม, มีมรโนวัตุปชเชโดตันหักขยูวิราวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงจริงเราส่งไว้แล้วคือตัวเราเองความมืดสุดอยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจ เวลาพ้นจากทุกแล้วจะไปหาหนี้พานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงละสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกทานยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิม่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงหทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาถากต ก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นชอบเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเหอเห็นกันพระเจ้าวยึกภายในจิตใจนี่แลตถาคตแท้ส่วนพระสิริลัของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี้แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจ นัตติเซ ย, เยะวะุวปาิโยไม่มีความยิ่งย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกคนสุดท้ายเป็นผู้สมัำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามทัตติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้ <c oughs> และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้ <c oughs> เนื่องจากท่านเจ้าคุณราดวรคุณวัดอโศกรามพาคณะมาอุทิศถวายส่วนกุศล แต่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตัดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอํานาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลําบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียดเวลาเวลามานะ่าแสดงธรรมให้เกียรท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตัวบกพร่องไปใดแง่ใดก็ตาม วังมาคงในรับภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังกขมีด้วยประการะชนีอ๋อเมื่อยเว้ิสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปะกะปะติอิชิตังปัิตังตุมหงังขิปเมวะสมิชชาตุสเพปูเรนตุสังกปา ฌานโทปนาระโสยถามณิชโชติระโสยถาสพิติโยวิวัชันตุสั พ, พโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภะอภิวาธนาสีดิตสนิจังมุท่าปจายูจัตตาโรโธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุขังภาลาังภวะตุสับ พ, พมังคลังราขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภะวันตุเต <c oughs>